อริยานานิเทศแสดงยาในการทำสติยาในการทำสติสามสิบสองประการเป็นอย่างไรคือภิกษุในที่นี้ไปสู่ป่าก็ดีไปสู่โคนไม้ก็ดีไปสู่เรือนว่างก็ดีนั่งโคบันลังตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าภิกษุนั้นมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกคือหนึ่ง เมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวสองเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าหายใจออกยาวสเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจเข้าสั้นสเมื่ อ, Dear, อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจออกสั้นห้าสำเนียกว่าเรากําหนดรู้กองลมทำปวงหายใจเข้า6กสำเนียกว่า เรากำหนดรู้กองลมทั้งปวงหายใจออก7จ็ดสำเนียกว่าเราระงับกายสังขารหายใจเข้า8ปดสำเนียกว่าเราระงับกายสังขารหายใจออก9ก้าสำเนียกว่าเรากำหนดรู้ปีติหายใจเข้า10บสำเนียกว่าเรากำหนดรู้ปีติหายใจออกสิบอ็ดสำเนียกว่า เรากำหนดรู้สุขหายใจเข้าสิบสองสำเนียวว่าเรากาหนดรู้สุขหายใจออกสิบสามสำเนียวว่าเรากาหนดรู้จิตตสังขารหายใจเข้าสิบสี่สำเนียวว่าเรากำหนดรู้จิตตสังขารหายใจออกสิบห้าสำเนียวว่าเราเระงับจิตตสังขารหายใจเข้าสิบหกสำเนียวว่า เราระงับจิตสังขารหายใจออกสิบเจ็ดจำเนียกว่าเรากำหนดรู้จิตหายใจเข้า 18. สิบปดจำเนียกว่าเรากำหนดรู้จิตหายใจออก 19. สิบเก้าำเนียกว่าเราทำจิตให้บันเทิงหายใจเข้ายี่สิบจำเนียกว่าเราทำจิตให้บันเทิงหายใจออกยี่สิเอ็ดจำเนียกว่า เราตั้งจิตไว้หายใจเข้า12สำเนียกว่าเราตั้งจิตไว้หายใจออก23สำเนียกว่าเราเปลือ้องจิตหายใจเข้า24สำเนียกว่าเราเปลื้องจิตหายใจออก25สำเนียกว่าเราพิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยงหายใจเข้า26สำเนียกว่า เราพิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยงหายใจออกยี่สิบเจ็ดสำเนียกว่าเราพิจารณาเห็นความคลายออกได้หายใจเข้ายี่สิบปดสำเนียกว่าเราพิจารณาเห็นความคลายออกได้หายใจออกยี่สิบเก้าำเนียกว่าเราพิจารณาเห็นความดับไปหายใจเข้าสามสิบสำเนียกว่า เราพิจารณาเห็นความดับไปหายใจออกสามสิบเอ็ดสำเนีกว่าเราพิจารณาเห็นความสละคืนหายใจเข้าสาสิบสองสำเนีกว่าเราพิจารณาเห็นความสละคืนหายใจออกคาว่าในที่นี้อธิบายว่าในความเห็นนี้คือในความถูกใจนี้ความพอใจนี้ความยึดถือนี้ ธรรมนี้วินัยนี้ธรรมวินัยนี้ปาโพธนี้พรหมจรรย์นี้สัตุศาสตร์นี้เพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าในที่นี้คําว่าภิกษุอธิบายว่าภิกษุผู้เป็นกรรยาณปุถุชนพระเสขะหรือเป็นพระอรหรันผู้มีธรรมไม่คำเลิกคําว่าป่าอธิบายว่าสถานที่ทุกแห่งนอกจากเสาเขินออกไป สถานที่นั้นทั้งหมดชื่อว่าป่าคำว่าโคลนไม้อธิบายว่าอาสนะของภิกสุซึ่งจัดไว้ที่โคลนไม้คือเตียงต่างฟูกเสื่ออ่อนท่อนหนังเครื่องล่าทำด้วยหญ้าเครื่องล่าทำด้วยใบไม้หรือเครื่องล่าทำด้วยฟางภิกสุยืนเดินนั่งหรือนอนที่อาสนะนั้นคำว่าว่างอธิบายว่า เป็นสถานที่ไม่พลุกพล่านด้วยใครๆจะเป็นครหัดหรือบรนประชิตคําว่าเรือนอธิบายว่าวิหารโรงที่มุงไว้ครึ่งหนึ่งปราสาทเรือนโล้นถ้าคําว่านั่งคูบันลังอธิบายว่าพิกษุนั้นเป็นผู้นั่งคูบันลังคําว่าตั้งกายตรงอธิบายว่ากายเป็นกายที่พิกษุนั้นตั้งไว้ตรง คำว่าเฉพาะในคําว่าดํารงสติไว้เฉพาะหน้ามีการกําหนดถือเอาเป็นอักคําว่าหน้ามีการนําออกเป็นอักคําว่าสติมีการเข้าไปตั้งไว้เป็นอักเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าดํารงสติไว้เฉพาะหน้าคําว่ามีสติหายใจเข้าอธิบายว่าภิกษุทำสติโดยอาการสามสิบสองอย่าง คือภิกษุรู้ความที่จิตเป็นเอกขะตารมไม่ฟุ้งซ huh ่านด้วยอำนาจลมหายใจเข้ายาวสติย่อมตั้งมั่นชื่อว่าเป็นผู้ทําสติด้วยสตินั้นด้วยญาณนั้นเมื่อรู้ความที่จิตเป็นเอกคตารมไม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจลมหายใจออกยาวสติย่อมตั้งมั่นชื่อว่าเป็นผู้ทําสติด้วยสตินั้นด้วยญาณนั้น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 พโมมะจัตุการนิเทศแสดงหมวดสี่แห่งยานที่หนึ่งพิสุเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าหายใจออกยาวเป็นอย่างไรคือพิสุหายใจเข้ายาวในการที corona, ่นับว่ายาวหายใจออกยาวในการที่นับว่ายาวหายใจเข้าหายใจออกยาวในการที่นับว่ายาว ฉันทะเกิดขึ้นแกเธอผู rage, ้ทั brown, normal, har, sinister, hall, ้งหายใจเข้าหายใจออกยาวในการที Taiwan ่น <infinity> ับว่ายาวหายใจเข้ายาวที <S <S ่ละเอียดกว่านั้นด้วยอำนาจฉันทะในการที่นับว่ายาวหายใจออกยาวละเอียดกว่านั้นด้วยอำนาจฉันทะในการที่นับว่ายาวเธอทั้งหายใจเข้าหายใจออกยาวที่ละเอียดกว่านั้นด้วยอำนาจฉันทะในการที่นับว่ายาว ความปราโมทเกิดขึ้นแก่เธอผู้ทั้งหายใจเข้าหายใจออกยาวที่ละเอียดกว่านั้นด้วยอำนาจฉันทะในการที่นับว่ายาวหายใจเข้ายาวละเอียดกว่านั้นด้วยอำนาจความปราโมทในการที่นับว่ายาวหายใจออกยาวละเอียดกว่านั้นด้วยอำนาจความปราโมทในการที่นับว่ายาวหายใจเข้าหายใจออกยาวละเอียดกว่านั้นด้วยอำนาจความปราโมทในการที่นับว่ายาว จิตของเธอพู้ทั้งหายใจเข้าหายใจออกยาวที่ละเอียดขว่านั้นโดยอำนาจความปราโมทในการที่นับว่ายาวย่อมหลีออกจากการหายใจเข้าหายใจออกยาวอุเบกขาย่อมตั้งอยู่กายคือลมหายใจเข้าหายใจออกยาวด้วยอาการก้าวอย่างนี้ย่อมปรากฏความปรากฏเป็นสติกายย่อมปรากฏไม่ใช่สติสติปรากฏด้วย เป็นตัวระลึกด้วยภิกษุพิจารณาเห็นกายนั้นด้วยสตินั้นด้วยญาณ น, นั้นเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าสติปัฏฐานภาวนาคือการพิจารณากายเนียกายคำว่าพิจารณาเห็นอธิบายว่าภิกษุพิจารณาเห็นกายนั้นอย่างไรคือพิจารณาเห็นโดยความไม่เที่ยงไม่พิจารณาเห็นโดยความเที่ยง พิจารณาเห็นโดยความเป็นทุกข์ไม่พิจารณาเห็นโดยความเป็นสุขพิจารณาเห็นโดยความเป็นอนัตตาไม่พิจารณาเห็นโดยความเป็นอตตาย่อมเบื others, ่อหน่ายไม่ยินดีย่อมคลายกำหนัดไม่กำหนัดย่อมทำราคะให้ดับไม่ให้เกิดย่อมสละคืนไม่ยึดถือเมื่อพิจารณาเห็นโดยความไม่เที่ยงย่อมละนิจจสัญญาได้เมื่อพิจารณาเห็นโดยความเป็นทุกข์ ย่อมละสุขสัญญาได้เมื่อพิจารณาเห็นโดยความเป็นอนัตตาย่อมละอัตตาสัญญาได้เมื่อเบื่อนายย่อมละนันทิความยินดีได้เมื่อคลายกำนัดย่อมละราคะได้เมื่อทำราคะให้ดับย่อมละสมุทัยได้เมื่อจละคืนย่อมละอาทานะความยึดถือได้ภิสษุนนั้นพิจารณาเห็นกายนั้นอย่างนี้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 สชื่อว่าภาวนาเพราะมีความหมายว่าปฏิบัติเนื่งเนืองเมื่อพิษุรู้ความที่จิตเป็นเอกคตารมไม่ฟุ้งซ่านด้วยอํานาจลมหายใจเข้าหายใจออกยาวเวทนาจึงปรากฏเกิดขึ้นปรากฏเข้าไปตั้งอยู่ปรากฏถึงความดับไปสัญญาจึงปรากฏเกิดขึ้นปรากฏเข้าไปตั้งอยู่ปรากฏถึงความดับไป วิตกจึงปรากฏเกิดขึ้นปรากฏเข้าไปตั้งอยู่ปรากฏถึงความดับไปเวทนาย่อมปรากฏเกิดขึ้นปรากฏเข้าไปตั้งอยู่ปรากฏถึงความดับไปอย่างไรความเกิดขึ้นแห่งเวทนาย่อมปรากฏอย่างไรคือความเกิดขึ้นแห่งเวทนาย่อมปรากฏด้วยความเกิดขึ้นแห่งปัจจัยว่าเพราะอวิชชาเกิดเวทนาจึงเกิดเพราะตัณหาเกิด เวทนาจึงเกิดเพราะกรรมเกิดเวทนาจึงเกิดความเกิดขึ้นแห่งเวทนาย่อมปรากฏด้วยความเกิดขึ้นแห่งปัจจัยว่าเพราะผัสสะเกิดเวทนาจึงเกิดแม้เมื่อเห็นลักษณะแห่งความเกิดขึ้นความเกิดขึ้นแห่งเวทนาก็ย่อมปรากฏความเกิดขึ้นแห่งเวทนาย่อมปรากฏอย่างนี้ความเข้าไปตั้งอยู่แห่งเวทนาย่อมปรากฏอย่างไร คือเมื่อภิกษุมนุษการโดยความไม่เที่ยงความเข้าไปตั้งอยู่โดยความสิ้นไปย่อมปรากฏเมื่อมนุษการโดยความเป็นทุกข์ความเข้าไปตั้งอยู่โดยความเป็นภัยย่อมปรากฏเมื่อมนุษย์การโดยความเป็นอนัตตาความเข้าไปตั้งอยู่โดยสุญญต์ความว่างย่อมปรากฏความเข้าไปตั้งอยู่แห่งเวทนาย่อมปรากฏอย่างนี้ความดับไปแห่งเวทนาย่อมปรากฏอย่างไร คือความดับไปแห่งเวทนาย่อมปรากฏโดยความดับไปแห่งปัจจัยว่าเพราะอวิชชาดับเวทนาจึงดับเพราะตัณหาดับเวทนาจึงดับเพราะกรรมดับเวทนาจึงดับความดับไปแห่งเวทนาย่อมปรากฏด้วยความดับไปแห่งปัจจัยว่าเพราะผัสสะดับเวทนาจึงดับแม้เมื่อเห็นลักษณะแห่งความแปรผันความดับไปแห่งเวทนาก็ย่อมปรากฏ ความดับไปแห่งเวทนาย่อมปรากฏอย่างนี้เวทนาย่อมปรากฏเกิดขึ้นปรากฏก็ไปตั้งอยู่ปรากฏถึงความดับไปอย่างนี้สัญญาย่อมปรากฏเกิดขึ้นปรากฏก็ไปตั้งอยู่ปรากฏถึงความดับไปอย่างไรความเกิดขึ้นแห่งสัญญาย่อมปรากฏอย่างไรคือความเกิดขึ้นแห่งสัญญาย่อมปรากฏโดยความเกิดขึ้นแห่งปัจจัยว่าเพราะอวิชชาเกิด สัญญาจึงเกิดเพราะตันหาเกิดสัญญาจึงเกิดเพราะกรรมเกิดสัญญาจึงเกิดความเกิดขึ้นแห่งสัญญาย่อมปรากฏโดยความเกิดขึ้นแห่งปัจจัยว่าเพราะผัสสะเกิดสัญญาจึงเกิดความเกิดขึ้นแห่งสัญญาย่อมปรากฏอย่างนี้ความเ้าไปตั้งอยู่แห่งสัญญาย่อมปรากฏอย่างไรคือเมื่อภิกษุมณาการโดยความี่ยง ความเข้าไปตั้งอยู่โดยความสิ้นไปย่อมปรากฏเมื่อมานาุติการโดยความเป็นทุกข์ความเข้าไปตั้งอยู่โดยความเป็นภัยย่อมปรากฏเมื่อมานาุติการโดยความเป็นอนัตตาความเข้าไปตั้งอยู่โดยสุญญตะย่อมปรากฏความเข้าไปตั้งอยู่แห่งสัญญาย่อมปรากฏอย่างนี้ความดับไปแห่งสัญญาย่อมปรากฏอย่างไรคือความดับไปแห่งสัญญาย่อมปรากฏโดยความดับไปแห่งปัจจัยว่า เพราะอวิชาดับสัญญาจึงดับเพราะตันหาดับสัญญาจึงดับเพราะกรรมดับสัญญาจึงดับความดับไปแห่งสัญญาย่อมปรากฏโดยความดับไปแห่งปัจจัยว่าเพราะภาษะดับสัญญาจึงดับแม้เมื่อเห็นลักษณะแห่งความแปรผันความดับไปแห่งสัญญาย่อมปรากฏความดับไปแห่งสัญญาย่อมปรากฏอย่างนี้สัญญาย่อมปรากฏเกิดขึ้นปรากฏเข้าไปตั้งอยู่ ปรากฏถึงความดับไปอย่างนี้วิตกย่อมปรากฏเกิดขึ้นปรากฏเข้าไปตั้งอยู่ปรากฏถึงความดับไปอย่างไรความเกิดขึ้นแห่งวิตกย่อมปรากฏอย่างไรคือความเกิดขึ้นแห่งวิตกย่อมปรากฏโดยความเกิดขึ้นแห่งปัจจัยว่าเพราะอวิชชาเกิดวิตกจึงเกิดเพราะตัณหาเกิดวิตกจึงเกิดเพราะกรรมเกิดวิตกจึงเกิดความเกิดขึ้นแห่งวิตก ย่อมปรากฏโ ด, right? ด, ด ย, ญญ ย, ยความเกิดขึ้นแห่งปัจจัยว่าเพราะสัญญาเกิดวิตกจึงเกิดแม้เมื่อเห็นลักษณะแห่งความเกิดขึ้นความเกิดขึ้นแห่งวิตกก็ย่อมปรากฏความเกิดขึ้นแห่งวิตกย่อมปรากฏอย่างนี้ความเข้าไปตั้งอยู่แห่งวิตกย่อมปรากฏอย่างไรคือเมื่อมนุิการโดยความไม่เที่ยงความเข้าไปตั้งอยู่โดยความสิ้นไปย่อมปรากฏเมื่อมนุิการโดยความเป็นทุกข์ ความเข้าไปตั้งอยู่โดยความเป็นภัยย่อมปรากฏเมื่อมนัจุการโดยความเป็นอนัตตาความเข้าไปตั้งอยู่โดยสุญญะย่อมปรากฏความเข้าไปตั้งอยู่แห่งวิตกย่อมปรากฏอย่างนี้ความดับไปแห่งวิตกย่อมปรากฏอย่างไรคือความดับไปแห่งวิตกย่อมปรากฏโดยความเกิดขึ้นแห่งปัจจัยว่าเพราะอวิชชาดับวิตกจึงดับเพราะตัหาดับวิตกจึงดับ เพราะกรรมดับวิตกจึงดับความดับไปแห่งวิตกย่อมปรากฏโดยค ว, วามเกิดขึ้นแห่งปัจจัยว่าเพราะสัญญาดับวิตกจึงดับ <ao> แม้เมื่อเห็นลักษณะความแปรผันความดับไปแห่งวิตกก็ย่อมปรากฏความดับไปแห่งวิตกย่อมปรากฏอย่างนี้วิตกย่อมปรากฏเกิดขึ้นปรากฏเข้าไปตั้งอยู่ปรากฏถึงความดับไปอย่างนี้ที่สุ เมื่อรู้ความที่จิตเป็นเอกะคาตารม์ไม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจลมหายใจเข้าหายใจออก au, ยาวย่อมให้อินทรีย์ทั้งหลายประชุมลงรู้ชัดโคจรและรู้แจ้งธรรมอันมีความสงบเป็นประโยชน์ให้พระทั้งหลายประชุมลงให้โพชงทั้งหลายประชุมลงให้มักประชุมลงให้ทำทั้งหลายประชุมลงรู้ชัด โ, โคจรและรู้แจ้งธรรมอันมีความสงบเป็นประโยชน์ ความว่าให้อินทรีย์ทั้งหลายประชุมลงอธิบายว่าพิกษุให้อินทรีย์ทั้งหลายประชุมลงอย่างไรเพื่อพิสษุให้สัดทินทรีย์ประชุมลงเพราะมีสภาวะน้อมใจเชื่อให้เวริินทรีย์ประชุมลงเพราะมีสภาวะประคองไว้ให้สติินทรียประชุมลงเพราะมีสภาวะเข้าไปตั้งไว้ให้สมาทินทรียประชุมลงเพราะมีสภาวะไม่ฟ네ุ้งซ่าน ให้ปัญญีนีประชุมลงเพราะมีสภาวะเห็นบุคคลนี้ให้อินทร์เหล่านี้ประชุมลงในอารมณ์นี้เพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าให้อินทร์ทั้งหลายประชุมลงคำว่ารู้ชัดโคโจรอธิบายว่ารู้ชัดสิ่งที่เป็นอารมณ์ของบุคคล น, นั้นว่าเป็นโคจรแห่งธรรมนั้นรู้ชัดสิ่งที่เป็นโคจรของบุคคล น, นั้นว่าเป็นอารมณ์แห่งธรรมนั้น คำว่ารู้ชัดอธิบายว่าบุคคลผู้รู้ชัดคือผู้มีปัญญาคำว่าสงบอธิบายว่าอารมณ์ปรากฏเป็นความสงบจิตไม่ฟุ้งซ่านเป็นความสงบจิตตั้งมั่นเป็นความสงบจิตผ่องแผ้วเป็นความสงบคำว่าประโยชน์อธิบายว่าสภาวะที่ไม่มีโทษเป็นประโยชน์สภาวะที่ไม่มีกิเลสเป็นประโยชน์ สภาวะที่มีความผ่องแผ้วเป็นประโยชน์สภาวะที่ประเสริฐเป็นประโยชน์คำว่ารู้แจ้งอธิบายว่ารู้แจ้งสภาวะที่อารมณ์ปรากฏรู้แจ้งสภาวะที่จิตไม่ฟุ้งซ่านรู้แจ้งสภาวะที่จิตตั้งมั่นรู้แจ้งสภาวะที่จิตผ่องแผ้วเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าและรู้แจ้งธรรมอันมีความสงบเป็นประโยชน์ คำว่าให้พระทั้งหลายประชุมลงอธิบายว่าภิกษุให้พระทั้งหลายประชุมลงอย่างไรคือพิกษุให้ศรัทธาพละประชุมลงเพราะมีสภาวะไม่หวั่นไหวเพราะความไม่มีศรัทธาให้วิริยะพระประชุมลงเพราะมีสภาวะไม่หวั่นไหวเพราะความเกียจคร้านให้สติพระประชุมลงเพราะมีสภาวะไม่หวั่นไหวเพราะความประมาทให้สมาธิพระประชุมลง เพราะมีสภาวะไม่หวั่นไหวเพราะอุทัจจะให้ปัญญาภะละประชุมลงเพราะมีสภาวะไม่หวั่นไหวเพราะอาวิชชาบุคคลนี้ให้ภะละเหล่านี้ประชุมลงในอารมณ์นี้เพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าให้ภะละทั้งหลายประชุมลงคําว่ารู้ชัดโคจรอธิบายว่าเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าและรู้แจ้งธรรมอันมีความสงบเป็นประโยชน์ คำว่าให้โพ่อชงทั้งหลายประชุมลงอธิบายว่าพิกษุให้โพ่อชงทั้งหลายประชุมลงอย่างไรคือภิกษุให้สติสัมโยชงประชุมลงเพราะมีสภาวะเข้าไปตั้งไว้ให้ธรรมวิจยะสัมโยชงประชุมลงเพราะมีสภาวะเลือกเฟนให้วิริยสัมพโยชงประชุมลงเพราะมีสภาวะประคองไว้ให้ปิติสัมพโยชงประชุมลง เพราะมีสภาวะแผรซ่านไปให้ป mm. ัสสธิสัมโพชงประชุมลงเพราะมีสภาวะสงบให้สมาธิสัมโพชงประชุมลงเพราะมีสภาวะไม่ฟุ้งซ่านให้อุเบขาสัมโพชงประชุมลงเพราะมีสภาวะพิจารณาบุคคลนี้ให้พชฉงเหล่านี้ประชุมลงในอารมณ์นี้เพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าให้พชฉงทั้งหลายประชุมลง คำว่ารู้ชัดโคโจรอธิบายว่าเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าและรู้แจ้งธรรมอันมีความสงบเป็นประโยชน์คำว่าให้มักประชุมลงอธิบายว่าภิกษุให้มักประชุมลงอย่างไรคือภิกษุให้สัมมาทิฐิประชุมลงเพราะมีสภาวะเห็นให้สัมมาสังกัะปะประชุมลงเพราะมีสภาวะตรตรอง ให้สัมมาวาจาประชุมลงเพราะมีสภาวะกำหนดให้สัมมากัมมันตะประชุมลงเพราะมีสภาวะเกิดขึ้นให้สัมมาอาชีวะประชุมลงเพราะมีสภาวะผ่องแผ้วให้สัมมาวายามะประชุมลงเพราะมีสภาวะประคองไว้ให้สัมมาสติประชุมลงเพราะมีสภาวะเข้าไปตั้งไว้ให้สัมมาสมาธิประชุมลงเพราะมีสภาวะไม่ฟุ้งซ่าน บุคคลนี้ให้มรคนี้ประชุมลงในอารมณ์นี้ด้วยเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าให้มรประชุมลงคําว่ารู้ชัดโคจรอธิบายว่าเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าและรู้แจ้งธรรมอันมีความสงบเป็นประโยชน์คําว่าให้ทำทั้งหลายประชุมลงอธิบายว่าภิกษุให้ทำทั้งหลายประชุมลงอย่างไร คือภิกษุให้อินทรีย์ทั้งหลายประชุมลงเพราะมีสภาวะเป็นใหญ่ให้พระทั้งหลายประชุมลงเพราะมีสภาวะไม่หวั่นไหวให้โพชฌงทั้งหลายประชุมลงเพราะมีสภาวะเป็นธรรมเครื่องนำออกให้มร์ประชุมลงเพราะมีสภาวะเป็นเหตุให้สติปัฏฐานประชุมลงเพราะมีสภาวะเข้าไปตั้งไว้ให้สัมมประธานประชุมลงเพราะมีสภาวะเริ่มตั้งความเพียร ให้อิธิบาประชุมลงเพราะมีสภาวะให้สำเร็จให้สัจจะประชุมลงเพราะมีสภาวะเป็นของแท้ให้สมถะประชุมลงเพราะมีสภาวะไม่ฟุ้งซ <umuz> ่านให้วิปัสนาประชุมลงเพราะมีสภาวะพิจารณาเห็นให้สมถะและวิปัสนาประชุมลงเพราะมีสภาวะเป็นธรรมมีรสเป็นอย่างเดียวกันให้ธรรมเป็นคู่กันประชุมลง เพราะมีสภาวะไม่ล <ygen ate krit> ่วงเลยกันให้ศีลวิสุทธิประชุมลงเพราะมีสภาวะสำรวมให้จิตตวิสุทธิประชุมลงเพราะมีสภาวะไม่ฟุ้งซ่านให้ทิฏฐิวิสุทธิประชุมลงเพราะมีสภาวะเห็นให้วิโมกประชุมลงเพราะมีสภาวะหลุดพ้นให้วิชาประชุมลงเพราะมีสภาวะแทงตลอดให้วิมุตติประชุมลง พราะมิสภาวะสละให้ญาณในความสิ้นไปประชุมลงเพราะมีสภาวะตัดขาดให้อนุปาทญาณประชุมลงเพราะมีสภาวะระงับให้ฉันทะประชุมลงเพราะมีสภาวะเป็นมูลให้มนัสการประชุมลงเพราะมีสภาวะเป็นสมุทฐานให้ผัสสะประชุมลงเพราะมีสภาวะเป็นที่ประชุมให้เวทนาประชุมลง เพราะมีสภาวะเป็นที่รวมให้สมาธิประชุมลงเพราะมีสภาวะเป็นประธานให้สติประชุมลงเพราะมีสภาวะเป็นใหญ่ให้สติสัมปชัญญะประชุมลงเพราะมีสภาวะเป็นธรรมที่ยิ่งกว่านั้นให้วิมุตติประชุมลงเพราะมีสภาวะเป็นแก่นสารให้ธรรมที่อย่างลงสู่อมตะคืนนิพพานประชุมลงเพราะมีสภาวะเป็นที่สุด บุคคลนี้ให้ทำเหล่านี้ประชุมลงในอารมณ์นี้เพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าให้ทำทั้งหลายประชุมลงคำว่ารู้ชัดโคโจรอธิบายว่ารู้ชัดสิ่งที่เป็นอารมณ์ของบุคคลนั้นว่าเป็นโคจรของบุคคลนั้นรู้ชัดสิ่งที่เป็นโคจรของบุคคลนั้นว่าเป็นอารมณ์ของบุคคลนั้นคาว่ารู้ชัดอธิบายว่า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 ภิกษุเมื่อหายใจเข้าสั kan, ้นก็รู้ช oui. ัดว so, ่าหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว so ่าหายใจออกสั้นอย่างไรเคอภิกษุหายใจเข้าสั้นในการที่นับได้นิดหน่อยหายใจออกสั้นในการที่นับได้นิดหน่อยเธอทั้งหายใจเข้าหายใจออกสั้นในการที่นับได้นิดหน่อยฉันท่าเปิดขึ้นจะเธอผู้ทั้งหายใจเข้าหายใจออกสั้น ในการที่นับได้นิดหน่อยหายใจเข้าสั้นละเอียดกว่านั้นด้วยอำนาจฉันทะในการที่นับได้นิดหน่อยหายใจออกสั้นละเอียดกว่านั้นด้วยอำนาจฉันทะในการที่นับได้นิดหน่อยเธอทั้งหายใจเข้าหายใจออกสั้นละเอียดกว่านั้นด้วยอำนาจฉันทะในการที่นับได้นิดหน่อยความปราโมทย่อมเกิดแก่เธอผู้ทั้หงหายใจเข้าหายใจออกสั้น ละเอียดกว่านั้นด้วยอำนาจชันทะในการที่นับได้นิดหน่อยหายใจเข้าสั้นละเอียดกว่านั้นด้วยอำนาจความปราโมทในการที่นับได้นิดหน่อยหายใจออกสั้นละเอียดกว่านั้นด้วยอำนาจความปราโมทในการที่นับได้นิดหน่อยเธอทั้งหายใจเข้าหายใจออกสั้นละเอียดกว่านั้นด้วยอำนาจความปราโมทในการที่นับได้นิดหน่อย ิของเธอผู้ทั้งหายใจเข้าหายใจออกสั้นละเอียดกว่านั้นด้วยอำนาจความปราโมทในการที่นับได้นิดหน่อยย่อมหลีกออกจากการหายใจเข้าหายใจออกสั้นอุเบคาย่อมตั้งอยู่กายคือลมหายใจเข้าหายใจออกสั้นด้วยอาการก้าวอย่างนี้ย่อมปรากฏความปรากฏเป็นสติการพิจารณาเห็นเป็นญาณกายย่อมปรากฏไม่ใช่สติ สติปรากฏด้วยเป็นตัวระลึกด้วยพิสุพิจารณาเห็นกายนั้นด้วยสตินั้นด้วยญาณนั้นเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าสติปทานภาวนาคือการพิจารณาเห็นกายในกายคำว่าพิจารณาเห็นอธิบายว่าพิสุพิจารณาเห็นกายนั้นอย่างไรพิจารณาเห็นกายนั้นอย่างนี้คำว่าภาวนาอธิบายว่า ภาวนามีสี่อย่างคือชื่อว่าภาวนาเพราะมีความหมายว่าปฏิบัติหนึ่งเนืองเมื่อภิกษุรู้ความที่จิตเป็นเอ ก, กคตารมไม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจลมหายใจเข้าหายใจออกสั้นเวทนาจึงปรากฏเกิดขึ้นภิกษุเมื่อรู้ความที่จิตเป็นเอกคตารมไม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจลมหายใจเข้าหายใจออกสั้นยอมให้อินทรีย์ทั้งหลายประชุมลง เพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าและรู้แจ้งธรรมอันมีความสงบเป็นประโยชน์ภิกษุสำเนีกว่าเรากาหนดรู้กองลมท้งปวงหายใจเข้าสำเนียกว่าเรากําหนดรู้กองลมทั้งปวงหายใจออกอย่างไรคำว่ากายอธิบายว่ากายมีสองอย่างคือหนึ่งนามกายสองรูปกายนามกายเป็นอย่างไร เพื่อเวทนาสัญญาเจตนาภาษะมนุิยการนามนามกายและสิ่งที่เรียกว่าจิตสังขาร น, นี้ชื่อว่านามกายรูปกายเป็นอย่างไรคื่อมหาภูต ร, รูปสี่รูปที่อาศัยมหาภูต ร, รูปสี่ลมหายใจเข้าหายใจออกนิมิตและสิ่งที่เนื่องกันซึ่งเรียกว่ากายสังขาร น, นี้ชื่อว่ารูปกาย กายเหล่านั้นย่อมปรากฏอย่างไรคือเมื่อภิกษุรู้ความที่จ um ิตเป็นเอกคตารมไม่ฟุ้งซ่านด้วยอานาจลมหายใจเข้ายาวสติย่อมตั้งมั่นกายเหล่านั้นย่อมปรากฏด้วยสตินั้นด้วยยานั้นเมื่อรู้ความที่จิตเป็นเอกคตารมไม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจลมหายใจออกยาวสติย่อมตั้งม atte ั่นกายเหล่านั้นย่อมปรากฏด้วยสตินั้นด้วยยานั้น เมื่อรู้ความที่จิตเป็นเอกขตารม์ไม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจลมหายใจเข้าสั้นสติย่อมตั้งมั่นกายเหล่านั้นย่อมปรากฏด้วยสตินั้นด้วยยานั้นเมื่อรู้ความที่จิตเป็นเอกคตารมไม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจลมหายใจออกสั้นสติย่อมตั้งมั่นกายเหล่านั้นย่อมปรากฏด้วยสตินั้นด้วยยานั้นเมื่อคำนึงถึงกายเหล่านั้นย่อมปรากฏ เมื่อรู้กายเหล่านั้นย่อมปรากฏเมื่อเห็นกายเหล่านั้นย่อมปรากฏเมื่อพิจารณากายเหล่านั้นย่อมปรากฏเมื่ออธิษฐานจิตกายเหล่านั้นย่อมปรากฏเมื่อน้อมใจเชื่อด้วยศรัทธากายเหล่านั้นย่อมปรากฏเมื่อประคองความเพียรกายเหล่านั้นย่อมปรากฏเมื่อตั้งสติไว้มั่นกายเหล่านั้นย่อมปรากฏเมื่อตั้งจิตไว้มั่นกายเหล่านั้นย่อมปรากฏ เมื่อรู้ชัดด้วยปัญญากายเหล่านั้นย่อมปรากฏเมื่อรู้ยิ่งธรรมที่ควรรู้ยิ่งกายเหล่านั้นย่อมปรากฏเมื่อกำหนดรู้ธรรมที่ควรกำหนดรู้กายเหล่านั้นย่อมปรากฏ เ, เ, เ, เ, เมื่อละธรรมที่ควรละกายเหล่านั้นย่อมปรากฏเมื่อจเจริญธรรมที่ควรจเจริญกายเหล่านั้นย่อมปรากฏเมื่อทำให้แจ้งธรรมที่ควรทำให้แจ้งกายเหล่านั้นย่อมปรากฏ กายเหล่านั้นย่อมปรากฏอย่างนี้กายคือความเป็นผู้รู้แจ้งกองลมทั้งปวงหายใจเข้าหายใจออกย่อมปรากฏความปรากฏเป็นสติการพิจารณาเห็นเป็นญาณกายย่อมปรากฏไม่ใช่สติสติปรากฏด้วยเป็นตัวระลึกด้วยภิกษุพิจารณาเห็นกายนั้นด้วยสตินั้นด้วยญาณ น, นั้นเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่า สติปทานภาวนาคือการพิจารณาเห็นกายเนืกายคำว่าพิจารณาเห็นอธิบายว่าภิกษุพิจารณาเห็นกายนั้นอย่างไรพิจารณาเห็นกายนั้นอย่างนี้คำว่าภาวนาอธิบายว่าภาวนามีสี่อย่างคือชื่อว่าภาวนาเพราะมีความหมายว่าปฏิบัติเนืองเนืองชื่อว่าสีลวิสุทธิ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 ความเห็นช <ersch> ื่อว่าอธิปัญญาศึกขาภิกษุเมื่อคํานึงถึงศึกขาสามนี้ชื่อว่าศึกษาเมื่อรู้ชื่อว่าศึกษาเมื่อเห็นชื่อว่าศึกษาเมื่อพิจารณาชื่อว่าศึกษาเมื่ออธิฐานจิตชื่อว่าศึกษาเมื่อน้อมใจเชื่อด้วยศรัทธาชื่อว่าศึกษาเมื่อประคองความเพียรชื่อว่าศึกษา เมื่อตั้งสติไว้มั่นชื่อว่าศึกษาเมื่อตั้งจิตไว้มั่นชื่อว่าศึกษาเมื่อรู้ชัดด้วยปัญญาชื่อว่าศึกษาเมื่อรู้ยิ่งธรรมที่ควรรู้ยิ่งชื่อว่าศึกษาเมื่อกำหนดรู้ธรรมที่ควรกำหนดรู้ชื่อว่าศึกษาเมื่อละธรรมที่ควรละชื่อว่าศึกษาเมื่อเจริญธรรมที่ควรเจริญชื่อว่าศึกษา เมื่อทำไม่แจ้งทำที่ควรทำให้แจ้งชื่อว่าศึกษาเมื่อพิกสุรู้ความที่จิตเป็นเอกคะตารมไม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจความเป็นผู้กำหนดรู้กองลมทั้งปวงหายใจเข้าหายใจออกเวทนาย่อมปรากฏเกิดขึ้นพิกสุเมื่อรู้ความที่จิตเป็นเอกคะตารมไม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจความเป็นผู้กำหนดรู้กองลมทั้งปวงหายใจเข้าหายใจออก ย่อมให้อินสีย์ทั้งหลายประชุมลงเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าการรู้แจ้งธรรมอันมีความสงบเป็นประโยชน์ภิกษุสำเนียกว่าเราระงรับกายสังขารหายใจเข้าสำเนียกว่าเราระงรับกายสังขารหายใจออกอย่างไรกายสังขารเป็นอย่างไรพิลมหายใจเข้ายาวเป็นไปในกายทำเหล่านี้เนื่องด้วยกาย เป็นกายสังขารภิกษุเมื่อระงับดับทํากายสังขารเหล่านั้นให้สงบชื่อว่าสําเนียกอยู่ลมหายใจออกยาวเป็นไปในกายทำเหล่านี้เนื่องด้วยกายเป็นกายสังขารภิกษุเมื่อระงับดับทํากายสังขารเหล่านั้นให้สงบชื่อว่าสําเนียกอยู่ลมหายใจเข้าสั้นลมหายใจออกสั้น ลมที่พิกษุกําหนดรู้ของลมทั้งปวงหายใจเข้าลมที่พิกษุกําหนดรู้คลองลมทั้งปวงหายใจออกเป็นไปในกายทำเหล่านี้เนื่องด้วยกายเป็นกายสังขารพิกษุเมื่อระงับดับทำกายสังขารเหล่านั้นให้สงบชื่อว่าสำเนียกอยู่ความอ่อนไปความน้อมไปความเอ็งไปความโอนไปความหวั่นไหวความดิ้นรนความโยก ความโครงแห่งกายมีอยู่เพราะกายสังขารเห็นปานใดพิษุสำเนียกว่าเราระงับกายสังขารเห็นปานนั้นหายใจเข้าสำเนียกว่าเราระงับกายสังขารเห็นปานนั้นหายใจออกความไม่อ่อนไปความไม่น้อมไปความไม่เองไปความไม่โอนไปความไม่หวั่นไหวความไม่ดิ้นรนความไม่โยกความไม่โครงแห่งกายมีอยู่ เพราะกายสังขารเห็นปานใดพิกษุสัมเนียกว่าเราระงับกายสังขารที่ละเอียดสุขุมเห็นปานนั้นหายใจเข้าสัมเนียกว่าเราระงับกายสังขารที่ละเอียดสุขุมเห็นปานนั้นหายใจออกภิกษุสัมเนียกว่าเราระงับกายสังขารหายใจเข้าสัมเนียกว่าเราระงับกายสังขารหายใจออกตามในที่ว่ามานี้เมื่อเป็นอย่างนี้ ความได้ลมก็ไม่ปรากฏลมหายใจเข้าหายใจออกก็ไม่ปรากฏอาณาปานสติก็ไม่ปรากฏสมาธิที่ประกอบด้วยอาณาปานสติก็ไม่ปรากฏและภิกษุผู้ฉลาดจะเข้าสมาบัติหรือออกจากสมาบัตินั้นก็ไม่ได้ภิกษุสำเนียกว่าเราระงรับกายสังขารหายใจเข้าสำเนียกว่าเราระงรับกายสังขารหายใจออกเมื่อเป็นอย่างนี้ ความได้ลมก็ปรากฏลมหายใจเข้าหายใจออกก็ปรากฏอาณาปานสติก็ปรากฏสมาธิที่ประกอบด้วยอาณาปานสติก็ปรากฏและภิกษุผู้ฉลาดจะเข้าสมาบัติหรือออกจากสมาบัตินั้นก็ได้ข้อนั้นเหมือนอะไรเหมือนเมื่อบุคคลเคาะกลางสดานเสียงดังย่อมเป็นไปก่อนเพราะกำหนดใส่ใจจดจำนิมิตแห่งเสียงดังได้ดีแล้ว เมื่อเสียงดังค่อยลงต่อมาภายหลังเสียงค่อยย่อมเป็นไปเพราะกำหนดใส่ใจจดจำนิมิตแห่งเสียงดังได้ดีแล้วเมื่อเสียงค่อยเบาลงอีกต่อมาภายหลังจิตจึงเป็นไปได้แม้เพราะนิมิตแห่งเสียงค่อยเป็นอารมณ์ลมหายใจเข้าหายใจออกที่หยาบ ก, ก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมเป็นไปก่อนเพราะกำหนดใส่ใจ จดจำนิมิตแห่งลมหายใจเข้าหายใจออกอย่างหยาบได้ดีแล้วเมื่อลมหายใจเข้าหายใจออกอย่างหยาบเบาลงต่อมาภายหลังลมหายใจเข้าหายใจออกอย่างละเอียดจึงเป็นไปเพราะกําหนดใส่ใจจดจำนิมิตแห่งลมหายใจเข้าหายใจออกอย่างละเอียดได้ดีแล้วเมื่อลมหายใจเข้าหายใจออกอย่างละเอียดเบาลงอีกต่อมาภายหลัง จิตย่อมไม่ถึงความฟุง้งซ่านแม้เพราะนิมิตแห่งลมหายใจเข้าหายใจออกอย่างละเอียดเป็นอารมณ์เมื่อเป็นอย่างนี้ความได้ลมก็ปรากฏลมหายใจเข้าหายใจออกก็ปรากฏอาณาปานาสติก็ปรากฏสมาธิที่ประกอบด้วยอาณาปานาสติก็ปรากฏและภิกษุผู้ฉลาดจะเข้าหรือออกจากสมาบัตินั้นก็ได้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 หายใจเข้าหายใจออกย่อมให้อินสีทั้งหลายประชุมลงเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าและรู้แจ้งธรรมอันมีความสงบเป็นประโยชน์อนุปัสนาญาณแปดอุปทานวิสติแปดและสุตันติกาวัตถุสี่ในการพิจารณาเห็นกายในกายพาณวาระจบ